แต่เป็นสมัยสักห้าสิบหกสิบปีมานี้เองนี่ก็เกิดจากการกระทาทำนองบทเรียนด้วยของจริงอีกเหมือนกันสถานที่จะเป็นแถวบางมดหรือบางกรวยอะไรนี่ล่ะจำไม่ถนัดเอาเป็นว่าหมู่บ้านในสวนแถวใกล้ๆกรุงเทพนี่เองการครั้งนั้น ชาวบ้านนิยมฟังเทศสามธรรมาเป็นลำเป็นสัน์พอถึงวันนัดฟังเทศอธิตย์ปริยายสูตรกันชาวพุทธต่างกลุ่มต่างก็มีหน้าที่นิมนต์นักเทศองค์ที่ตัวชอบมาโดยไม่ต้องมีการนัดหมายนักเทศก็ไม่จําเป็นต้องรู้ตัวซักซ้อมกมาก่อนไม่เหมือนการจัดรายการวิทยุหรือโทรทัศน์สมัยนี้ กล่าวคือเมื่อจะเทศในเรื่องใดสูตรใดก็เป็นเทศปฏิพานแสดงความสามารถของธรรมกถึกจะสันดงสักสไซไล่เลียงให้พุทธบริษัทคูนัง่งฟังได้รู้จังกระจารในขณะนั้นในสถานะเช่นนั้นในบัดนั้นทันทีเมื่อมีการเริ่มบอกสักการอรรารัมภกถา เทพสามธรรมมากขึ้นแล้วสมมุติธรรมมากนั้นธรรมมากนี้รับหน้าที่วิสัชนาเป็นหน้าที่หน้าที่ไปแล้วองค์ผู้อยู่ธรรมมากกลางก็เริ่มทําหน้าที่ซักถามธรรมมากซ้ายมือก่อนดําเนินเรื่องเกี่ยวกับราคาคิไฟคือราคะเป็นลาดับนักเทศทั้งสอง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 กระทั่งเรื่องสุดกระแสความลงไปเกี่ยวกับราคาคิไฟคือราคะหนึ่งหลักต่อไปก็เป็นพนักงานของพระคุณเจ้าธรร ม, มาจทางขวามือวิสัชนาโทสคิไฟคือโทสะเป็นลำดับสองแต่ขณะนั้นไม่มีใครกี่คนสังเกตว่าท่านองค์ที่สามนี้ ท่านนั่งฟังสององแรกโต้กันอ ย, อย่างเงียบๆโดยดุสษดีพอถูกถามขึ้นตามแบบฉบับว่าโทสะคืออะไรเหมือนอะไรไม่เหมือนอะไรเป็นต้นคนทุกคนในที่ชุมนุมพากันเงียบเสียงลมต่างเตรียมตัวเงียหูฟังฝีปากธรรม ก, กระถึกองค์หลังที่ยังไม่ได้ปริปากเทศมาตั้งแต่ต้น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 ซึ่งก่อนหน้านั้นมีเสียงเจื้อยแจ้วแต่มาได้รับคำย้อนให้เช่นนั้นถึงกับชันลักไม่เคยนึ ก, กว่าจะมีคำพูดต่อหน้าธารกํานันเช่นนี้ใจก็นึกไปว่าญาติโยมคนใดหนอช่างไปนี่มนพระบ้านนีิมาเทมิหน้าเ่าเห็นในตาไม่เป็นมิตรไมตรีกันมาแต่ตน้นอย่างนี้การเทศครั้งนี้ก็เสียหายหมดละสิมันเรื่องอะไรกัน ฤดูถูกเราว่าเราบกพร่องอันใดเออเมื่อท่านอ์ที่ทำหน้าที่ถามถูกทำให้ทุกคนได้เห็นว่ามีหน้าแดงกั่ไม่ยอมสบตากับใครกระสับ ก, กระสายอยู่บนธรรมาฏครู่หนึ่งสมควรแก่เวลาพระเถระผู้พูดถ้อยคำที่ใครก็แปลไม่ได้ว่าสนตีนกับใต้บา มันผิดกันตรงไหนจึงได้เริ่มตั้งนโมเทวิสัชนาเกี่ยวกับโทสักขิไฟคือโทสักต่อไปอย่างหน้าตาเชลีนิทานขจบดูเอาเถิดท่านทั้งหลายด้วยถ้อยคำเพียงสองพยางซึ่งก่อแปรไม่ได้ความหมายดีหรือเลวไปกว่า ใต้ละอองธุรีประบาทอะไรทำนองนั้นก็มีช่องทางให้พระเถระใช้ให้เกิดการเรียนด้วยของจิขึ้นได้บนธรรมากนั่นเองเมื่อพุทธบริษัทที่นั่งแวดล้อมอาสนะแห่งธรรมในคราวนั้นได้ประจักษ์ว่าโทสัคคิไฟคือโทสะนั้นมันคืออย่างไรเกิดขึ้นอย่างไร อาศัยอะไรเกิดร้อนที่ใดบ้างโดยไม่ต้องไปหาวิธีอธิบายอย่างอื่น